เอสวิตเซแลนด์แดนอุดรสวิตเซเลนแดนอุดรออมันอยู่ในหุบเขาเลดู ด, ดูโอ้อากาศเย็นขนาดของเราขนาดนี้ขนาดนั้นตรงนั้นเย็นกว่าแล้วก็แปลกเหมือนกันนะอ ต, ตรงนั้นมันเป็นวัดเก่าแก่ทั้งสองวัดไม่รู้สมัยไหนก็ไม่รู้ คงจะเป็นสมัยเมื่อหกร้อยปีให้หลังมั้งที่ว่าเจ้าช้ยเสดถานะคงจะยุคสมัยนั้นเจ้าชสยเสดถานเนี่ยเราก็พูดเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมละ่ะเจ้าชสยเสดถานเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็มาแต่งงานกับเจ้าเวียงจันเจ้าเวียงจันไม่มีลูกชายมีลูกสาวก็เลยเจ้าเชียงใหม่มาแต่งงาน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 แต่ถ้าว่าจะทํานี่ทุกวันนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้วันละสองสามร้อยบาทเนี่ยไม่คุ้มค่าครับมันเลยน้อยกว่าเพราะนั้นเขาจึงไม่ทำแต่ตามไม่จริงมีนะทองคำนะลูกหลาหนนะแถวนี้มันเป็นสายแร่สายแร่ทองคำนี่แหละในท้องถิ่นท้องถิ่นอำเภอนายุงและอำเภอนาด้วงเนะ่ย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 สมมติว่าเอาทหารหรือว่าตำรวจหรือว่าส่วนราชการพ่อค้าห้างสรรพสินค้าเขาจะทำมาทอดกฐถินผมขอพิมพ์ซองแจกในกลุ่มของผมได้ไหมหลวงพ่อเาไม่ขัดข้องพอในกลุ่มของพวกเราแต่จะให้อามาให้หลวงพ่อเป็นคนแจกซองหนะลวงพ่อไม่แจกก็ไม่เอาไม่ถือว่าสำคัญถึงขนาดนั้น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 จะทำยังไงจึงจะได้บุญมากวิธีการทาบุญคนวารานเขาทาอย่างไรเนะ น, นี่ยอนินามาในพระไตรปิฎกนะท่านบอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้ากรบแลวก็มีอมาตคู่ใจชื่ว่ า, าวิชื่อวิฑูนวิฑูนอมาตนะแต่พระเจ้ากรบเนี่เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีมจิตใจ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 พอไปสืบสืบส อ, อบสอบดูไอ้คนที่มาที่มารับทานนั่นน่ะไม่มีศีลห้าศีลห้าไม่มีแปลว่าศีลและธรรมไม่มี เ, เหมือนเหมือนกับเราทำบุญทำทานไปนักเลงขโมยโพยโจรไปลักษณะอย่างนั้นหาคนดีได้ยากก็เลยเรียกอ ม, มรทวิทูลมาเทวิทูลอ ม, มรปโลหิตตายจานเป็นผู้มีสติปัญญา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 ถ้ามีขอให้คัดสรรเข้ามาใช่ผมอยากจะทำบุญกับผู้มีสินทางปโลหิตก็ตอบว่ามันมีอยู่ชื่อว่าพรามาคำว่าพรามคำนี้มีอยู่แต่มันไม่มีสินคำว่าพรามเป็นผู้มีสินแต่อันนี้พรามมีแต่ชื่ อ, อไม่มีสินคำว่าพรามคำนี้คือเพื่อเป็นผู้ทรมาค้าขายเป็นผู้รรมาหาเลี้ยงชีพ มันมีหลายเหลือเกินถ้าผมไล่เรียงเข้ามาถึงสิบนี่สิพรามน์นะมีสิบอาชีพพวกที่ทำตนเป็นพรามณ์เป็นพรามณ์ส่วนหนึ่งก่นัน่นแหละเป็นพวกจดาะเคราะห์หมอดูหมอเดาหมอดูเลิกดูยามาแล้วก็หมอท ร, รมาค้าขายาแล้วก็หมอค่าสัตว์บูชายันมันมีมากเหลือเกินแต่ดูดูแล้ว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 ทำความสะอาดพนาครนซะก่อนปัดก่านทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นประกาศให้ทุกคนมีศินห้าก่อนสินและห้าคือศินของพรามตั้งแต่ดึกดำบันเดี๋ยวนี้พวกเราปล่อยป่ลาล่าเลยจนเกินไปมั่วไปหมดขอให้พวกเรามีสินซะก่อนผมจึงกราบแะราธนาพระหรือว่าฤาษีผู้ทรงสินมารับไถยธรรมจึงจะได้แต่พวกเราไม่มีสินอยู่อย่างนี้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 การภาลตนาพระประเจกพุทธเจ้ามารับทานแต่พิทูลอามาตท่านมีความสามารถการภาลตนาพระประเจกพุทธเจ้าได้ในชาตินั้นพรพะเจ้ า, า, า, ช า, ชากรพคือพระอานนท์พระพุทธเจ้าท่านนะในชาตินั้นเฉวยพระชาติชาตินั้นพระเจ้ากรพคือพระอานนท์วิทูลอามาตก็คือเราตถาคตเนี่ย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 สู้นั่งภาวานาจิตสงบจิตใจสงบครั้งหนึ่งไม่ได้บุญกุศลทวีคูณเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หนึ่งไม่มีสองท่านตรัสไว้อย่างนี้เพราะนั้นพวกเราควรจะ เ, ออเรื่องทํามทานก็ใช่อเ น, นส่งของทานคืออะไรอเ น, นส่งของศีลคืออะไรอเนส่งของภาวนานคืออะไรอเ น, นสงงาานาน่ออนนสงของทาน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 พเทวดาษเหล่านั้นต้องดูตลอดเพราะฉะนั้นพระศรีวลีไปนสถานที่ใดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนบริวารของพระศิีวลีจะไม่อดไม่อยากเพราะเหตุไรเพราะอเนสงน์การทําบุญทำทานอเนสง์ทานของพระศรีวลีถวายต่อพระพุทธเจ้าพระธุมตระและก็ตั้งความปรารถนาด้วยไงนี่แหละอเนสง์ทานไปนสถานที่ใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอเนสง์ทานคุ้มครอง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 อันนี้เราวอกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะถ้าคนมีความเห็นผิดอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเดือดร้อนเพราะนั้นเรื่องมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิอยู่นํำกับผู้ใดผู้นั้นมีจะความเจริญเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ทานอนิสงฆ์ทานเป็นยังไงจะทำยังไงจึงจะมีผลมีผลานิสง์มาก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 ถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วทธนว่านั่นแหละอาเสกขะผู้ไม่ต้องศึกษาเนี่ยผู้ไม่ต้องศึกษาคือเรียนเรียนเรื่องของใจจบแล้วคืออาเสกขะพระอาเสกขะผู้ไม่ต้องศึกษาพระเสกขะอย่างต้องศึกษาต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยว่าพระเสกขะอย่างพระอรหันเนี่ยพระอรหันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเนี่ย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 เป็นว่าอาเสค่ะผู้ไม่ต้องศึกษาเรื่องทางนอกอีกแล้วนะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนน ะ, นะตอนนี้ไปรับพร